ชวนจะออกพรรษาแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันอาทิตย์ ก, กว่าออกพรรษาต่ อ, อไปก็คงจะยุ่งเหยิงเกี่ยวกับงานกระถินน่านนวัดต่างๆใช้เวลาเดือนหนึ่งจากนั้นพระเนรก็คงจะตัดเย็บผ้าสบองกีบอลอีกนี่นะโลกเป็นอยู่ของพวกเรามันก็หมุนวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยปีเดือนวันคืน ล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เราทําอะไรอยู่นี่คือพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดสําหรับพวกเราไม่ให้ดื่มตัววันคืนมันก็ล่วงไปลงไปอย่างเนี้ยชีวิตของพวกเราก็ล่วงไปด้วยเหมือนกันผ่านไปผ่านไปผ่านปีผ่านเดือนผ่านวันผ่านชั่วโมงนาทีวิ น, นาทีว่าจะรู้ได้ตัวเองแก่พอแรงแล้ว เกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วกว่าจะรว่าแก่พอแรงแล้วนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างากุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราในการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างคุณงามความดีนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยมาทำมาก่อนแล้วท่า น, นสร้างถึงสี่อสงไขยกําไรแสนกับแสนมหากับนานเท่านานนานมากๆ ที่ท่านสร้างบารมีนั่นคืออะไรบ้างมีทานมีศีลมีเนคขมะมีเมตตามีขันติมีปัญญามีอุเปกขาสรุปแล้วคือคือบารมีสิบทัศน์เนคขมะคือการออกบวชบําเพ็ญในการเสียสละอยู่เป่าเปี่ยวเดียวดายไม่มีครอบครัวไม่มีเครื่องพันธะภาระอันนี้เรีว่าเนคขมเนคขมะคือออกบวช อย่างโภคพระที่ออกบวชห้ือเป็นฤาษีศรีไพยหรือผู้ที่รักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดอภิมจริยาอันนี้นเราบรเนกขัมเข้าไปในเนขมัมคือออกบวชทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายทานทานะแปลว่าเสียสละในการให้ทานตามอัตภาพการเสียสละจากะนี่ก็มีหลายๆอย่างจากะคือการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยน้อยของตน เพือบำเพ็ญทานสิงเพื่อบำเพ็ญเนคข ม, มะเรือว่าการเสียสละความสุขของตัวให้แก่ผู้อื่นเรื่าการเสียสละพิชาความรู้จาฆ่าให้คนอื่นให้เขามีปัญญาให้เขาเลี้ยงชีพได้หรื่อเสียสละทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาแบ่งปันให้คนอื่นอันนี้คือจาฆ่าอย่างพวกเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะจาะฆ่าคะจากพ่อจากแม่ของพวกเรา พ่อแม่ของพวกเราก็ต้องจา่าฆะให้ลูกทุกๆคนตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเลี้ยงดูข่าวน้าําปัจจัยความอบปุ่นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วจะเป็นจาคะทั้งหมดจา่าฆะคือการบริจาคให้แก่ลูกพวกเราทุกคนได้รับจา่าคะเพราะนั้นโลกที่จะอยู่ได้เพราะจา่าคะถ้าไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละให้กันแล้วโลกนี้อยู่ไม่ได้แห้งผ่าเหมือนกับต้นไม้ไม่มีใบอย่างนั้น่ะ เนี่ะเนคมมาทานะขันติคือความอดทนอดกลั้นนการอยู่ร่วมกันจะให้ได้อย่างใจของเราทุกๆคนนะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีการอดทนต่อสามีพันยาต่อพ่อต่อแม่ต่อเพื่อนต่อฟูงต่อลูกต่อเต่าต่อดินฟ้าอากาศกัท่านบอกว่าการอดทนผู้สูงกว่าพอทนได้ไอาวะเรายอมแพ้ ใครว่าอดทนผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า เ, เรายอมทุกอย่างแต่เราอดทนกับคนที่เสมอกันก็พอทนไหวคล้ายๆกับว่าคนเสมอภาคกันแต่คนที่อดทนต่อคนที่ต่ํากว่าที่เขามาดูแลดูถูกเหยียดย่มหรือรังแกเราที่คนที่ต่ํากว่าเรายศถาบรรดาศักดิ์การเป็นอยู่ต่ำกว่าเราแต่เราเป็นผู้อดทนได้ พรพุทธเจ้าสมบัตินั่นแหะเป็นยอดอดทนอืเป็นยอดแห่งการอดทนถ้าใครอดทนได้ถึงขั้นนั้นแล้วเป็นผู้ยอดอดทนแต่โดยมากมันจะอดทนไม่ได้เพราะเขาต่ํากว่าโดยมากขี้เลยว่างั้นเถอะขันติคือความอดทนแล้วก็เมตตาคิดแผลกุศลอยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขทุก ท, กทวนหน้าตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ให้มีความสุข อย่างที่เราปรารถนาอันนี้เรา เ, เมตตาสัจจะคือตั้งสัจจะอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเมื่อเราพิจนารณาว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วเหตุผลถูกต้องแล้วลงแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วศึกษาว่านี่แหละคางถูกต้องเราศึกษาในทางพุทธศาสนาสินห้าสินอุโบสถเราจะทำขนาดไหนตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าในวันสาคัญ มาค้บิชาขะวันเกิดของตนเองวันเกิดพ่อแม่อะไรลักษณะอย่างนั้นตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วก็ศีลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบา ร, รมีข้อที่1ข้อหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นโพธิทัตเรื่องศีลรักศีลอย่งกว่าชีวิตรักษาศีลถึงชีวิตจะปราบเจากหรือตายไปก็าตามแต่ไม่ยอมให้ศีลขาด เีว่าเมตตานี่ยก็คือสุวรรณสามท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดขนาดนายพรานมายิงท่านท่านยังมีเมตตากับนายพรานไม่มีปลูกอาคารพยาบาทแต่กับปัญญาหรือชาติที่เป็นมโหสดใช้ปัญญามากมโหสดวาฏทะทุกสิ่งทุกอย่างเอาใครทายว่าใครมาเล่เหลี่ยมไหนต้องกันกรองไตตรองพิจารณาใช้ปัญญาตนเองทบทวน ดูแล้วก็ตอบปัญหาแก้ปัญหาได้เฉียบแหลมมากชาตินั้นเป็นชาติที่พระพุทธองค์เกิดมาใช้ปัญญาแล้วอุเบกขาพระพุทธเจ้าเป็นนารทะคือพรมเกิดเป็นพรมในชาตินั้นได้มาช่วยเมืองมนุษย์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเพราะคบคนชั่วคบคนพาน คือวันหนึ่งเดินสิบสองเพนเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงพระเจ้าแผ่นดินท่านปรึกษาอํามาศอํามาศคืออํามาศใหญ่ี่ย ท, ทุกทุกวันนี่ก็คงจะปรึกษาองค์ข้ามูตรีอย่างนั้นอะ่ะกระถามว่าเอเดือนหงายอย่างนี้เราจะทํำยังไงดีคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าวผมว่าเนี่ยควรจะยกทัพไปตีเมืองเล็กเมืองน้อยคนหนึ่งบอกโกยไม่ได้ไปทําอย่างนั้นได้ยังไงบ้านเมืองขอต้องการความลมเย็นผาสุกผมว่าหนึ่ง ควรจะสนุกสนานเพลิดเพลินกินเหล้าเมายาสุรานาร่กีฬายซีกีฬาบัตร ส, ส, สนุกสนานกันดีกว่าแต่คนหนึ่งคัดค้านเมาอันนั้นก็ไม่ทุกควรจะเข้าไปหามบัณฑิตนักปราชญ์ไปศึกษาไตรถามธรรมะข้อแนวประพฤติปฏิบัติการดำรงชีพการปกครองบ้านเมืองสมณะสีพรามท่านอาจจะให้ความคิดความเห็นจะดีกว่าพระเจ้าประดินก็เห็นด้วยคนหลังเสนอจากนั้นก็ จะไปหาคนไหนของคนหนึ่งเลยเสนอขึ้นมีนักบวชคนหนึ่งเป็นเจา้ารธิมาอยู่ในอุทยานควรจะไปหาท่านจากนั้นก็ไปหาท่านก็ไปถามไต่ถามเ จ, าเจา้าลทติกับเจ้าฤทธิ์โง่ๆทออไปถามว่าบาปุลคุณโทษมีจริงหรือเปล่าคุณบิดามารดามีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าพพหน้าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า แล้วควรจะทําตัวอย่างไงจึงจะเหมาะสมในการครองชีพในการเป็นครวาตในการปกครองบ้านเมืองพระเจ้าเป็นดินกระถามเป็นฉากๆนะท่านนี่ก็ชีวก ค, คนนั้นก็หลับตาใกล้พวมคิดไม่ออกนะแต่พวณที่สุดตอบมนันนรกไหม่มีสวรรค์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีตายแล้วศูนยอใครทําดีก็ทําไปอย่างนั้นอ่ะใครทําชั่วก็ทําไปอย่างงั้นอ่ะอผลของกรรมไม่มีปฏิเสธหมดว่างั้นแถอะ응 แต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าไม่มีอย่างนั้นหรือสีจะปฏิบัติตัวทำไมยังลำบากเปล่าทำไมไม่ทำความชั่วอะไรเสียหายหมดชีวอกนอกไม่ทำผลที่สุดเนยพระเจ้าแผนดินก็เลยไปคบกับคนชั่วเออใช่ชีวกกนี่พูดถูกว่ะไปคบคนชั่วชั่วตามทีนี่ก็เลยลดละในการทำบุญทำทานหรือลงทานทิ้งหมดเลยทีนี่จากนั้นก็เอาเงินที่ บำรุงประเทศชาติบ้านเมืองกออามาปูนเปื่อไปทางอบายมุกต่างๆจนบ้านเมืองเดือดร้อนไปหมดนางรุจจาที่เป็นลูกสาวก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะพ่อเขาเป็นมิจฉาทิฐิเข้าใจผิดจนว่ายบอนถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาให้มาช่วยปกป้องพบิดาจากนั้นคือเดือดร้อนไปถึงนารทะคือพรมได้ลงมาจากพรมมโลกลงมาเป็นลือศีขึ้นมาลอยอยู่ในอากาศมาสอนคราวนั้น จนเข้าใจถูกทางอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นนารทะเป็นพรหมได้มาโปรดพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็ร่วนแล้วตั้งแต่การสร้างบา ร, รมีของพระุทธองค์ทั้งสิบอย่างพระเวทสั้นรอนก็ยิ่งในการให้ทานแต่มาเพิจารณามาวิเคราะห์ดูแล้วบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญมาทั้ง10อย่างนั้นอ่ะร่วนแล้วจะมีสาระร่วนแล้วจะมีประโยชน์สําหรับคนเราทุกๆคน ที่จะเอานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างอุปเปกขาก็เหมือนกันฟังฟังดูแล้วกเ็เหมือนกับปิดอุปเเกรดขาได้ยังไงถ้าไม่จริงอุปเปกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติถึงเมืองทาวทิบัติแล้วก็ไม่ถึงกับเสียใจมากปรงตกเออของใครของเรากรรมใครกรเราแต่พอที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วยแต่มันสุดวิสัยแล้วมันมีจุดที่สุดวิสัยมันมี ถ้าไม่มีจุดสุดพิสัยแล้วคนในโลกนี้ไม่ตายหรอกมันสุดพิสัยหมอเขาสุดพิสัยมันมีจุดที่สุดพิสัยอย่างนั้นก็ต้องทําใจอจงอุปเบกขาไม่ดีใจและไม่เสียใจใคลยๆมารู้เท่าทันทั้งสองเงินไม่ดีใจและไม่เสียใจอันนี้คือธรรมะบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ขันติสัจจะอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นจะทําเสียงใด ที่เห็นว่าเป็นสาระมีประโยชน์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมาข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะเดินโยกมืสักสามชั่วโมงอันนี้เราตั้งจิตอธิษฐานเนะข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แต่จะไปอธิษฐานในสิ่งที่เป็นอั ป, ปมงคลไม่ได้นะสิ่งที่อั ป, ปมงคลข้าพเจ้าจะกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าจะนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนอันนั้นแปลว่าผิดอย่างนั้นเถอะเป็นวิชาอธิษฐานอย่างนั้นเถอะไม่ใช่สัมมาอธิษฐาน ส ม, มาทิฐานไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่คุณสําหรับตนเองอันนีงเราเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิของปัญญาสัมมาทิฏฐิของศีลรวมแล้วจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเนะ่นบา ร, รมีสิบทัศทางว่าใช้ไปนในทางที่ผิดมันก็ผิดได้เหมือนกันนะ่ะแต่ใช้ในทางที่ถูกก็ถูกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าท่านบําเพ็ญบา ร, รมีของพระองคนะ์เน่ยสิบทัศน์เนี่ยนะจะรวมแล้วเป็นสามสิบนะ ฐานปรมีทานะอุปปรมีทานะปรมาถปรมีคือทานขั้นย่อดบริจาคทานชั้นกลางบริจาคทานะชั้นยอดเยี่ยมชั้นยอดเยี่ยมนี่ไม้ชีวิตก็สละได้มะงั้นแต่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านปราถนาใหญ่ท่านทําอย่างนั้นได้แต่พวกเราเป็นสาวกผู้ผู้สดับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทําตามอัตภาพนะั่นแหะไต่ตรองพิจารณาดูให้ดีให้เหตุให้ผลเพราะโลกทุกวันนี้มันโลกโลกาพิวัต ข่าวสารเนี่ยมีจีประธาร้อยแปดะันนั้นเราจงกันกรองไตตรองพิจารณาเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาวัดมาจับมาเป็นเครื่องลังวัดดูให้ดีวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจึงวางใจความเชื่อไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเห็นผู้พูดมาหน้าเรื่อมใสหน้านับถือแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่ออย่างนั้นเลยท่านให้เชื่อด้วยความวิเคราะห์ พิจารณาดูเหตุและผลด้วยปัญญาอย่างรอบคอบซะก่อนจึงให้เชื่อไม่ให้เชื่อตามตำหับตำลาไม่ให้เชื่อตามครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือได้ไม่ให้เชื่อตามผู้เท่าผู้แก่ไม่เชื่อตามกฎประเพณีที่ถือมาอาจจะถือมาผิดๆก็ได้เ่างั้นเถอะเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตรองหาเหตุและผลพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่อไง่ายได้ไม่แบบ ควายและกระจงตามหลังไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาท่านสอนให้ใช้ปัญญาทบทวนพิจารณาหาเหตุและผลเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท, ท่านควรจะศึกษาธรรมะแนวทางของพุทธศาสนาให้ค้นคว้าศึกษาให้เข้าใจสิ่งใดก็ถามท่านผู้รู้ถามครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่ท่านรู้ตามแถวแนวความจริง ท่านเรายังไม่มั่นใจองค์นี้เราก็ถามองค<ม>์อื่นอีกแลังจากนั้นเราก็ศึกษาในพระไตรปิฎกอีกเอามาค้นคว้าผสมประสานกันดูนะคำพูดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านระองค์นี่อมีเหตุและผลมีแง่แนวความคิดอย่างไรอย่างเนี้ยจากนั้นก็วางใจเลยแต่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงตามหมาบัวนี่ท่านก็บอกว่าท่านวางใจกับหลวงปู่มัน เห็นกิริยามารยาทเพราะท่านก็เรียนมาทางปริยัติธรรมมาพอสมควรแล้วจนได้เป็นมหาจากนั้นมาท่านก็มาแนวแถวปฏิบัติมันเข้ากันได้กับปริยัติที่ท่านเรียนมาแต่ปฏิบัติในท่านทํำยังไม่ถึงท่านก็เชื่อในหลวงปู่มั่นทันทีเลยจากนั้นท่านก็วางอกวางใจมอบกายถวายชีวิตวางั้นเถอดประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ท่านให้ทํายังไงปฏิบัติยังไงท่านก็ทําอย่างนั้นอย่างสุดๆว่างนั้นเถิดท่านก็ได้รับผลอย่าง ความตั้งใจเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันการวิเคราะห์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเขลักษณะนั้นน่ะจะไปเชื่อแบบงมงายจะไปเชื่อแบบง่ายๆจะไปเชื่อแบบเขาเห่กันไปแล้วก็เหอกันมาเพราะนั้นต้องตรวจใช้ปัญญาพิจ า, นานรณาดูให้ดี